ขอน้อมน้อมแด่พระประเทเจกัปพุทธเจ้าทุกๆพระ ก็บ่มีห่อกันไห้เนาะเตรียม ให้แต่น้ําตอนก็บ่มีเห็นๆเพิ่น เหลียวไปคั่นเพิ่นบ่มื้นตาจักบ่เหลียวหัวเห็นน่ะเว้าถึงข้อวานปฏิบัติ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> เออเข้ามาอยู่จังซี่เฮาก็ต้องฮึกระเบียบอันผู้บ่ผิดมันบ่มีดอก น้อยน้อยพระน้อยๆว่าอีกเห็นอย่างอสาแท้โรงตานี่ว่าคนมันขี้เหี่ยวได้อย่างนี้แล้วมัน Ph required 333 ger両, gyấy si pha bas mac sileостriさん wary cung มันเท่าได้โตได้นี่ความคิดมันยังอย่างนี้อันแล้วก็ว่ามันใจสิขาดแล้วได้เนี่ย <laughs> <laughs> เจ้าโอ้ยมันก็ยากแท้กับบัดนี่ล่ะบวชเป็นพระ Pues an mé ti pha jung mo nyang cha nyang cha nyang cha Nang eng den dok prat ก็คือจังอีหลแล้วก็คือฝากคือเน้นเฮาจังซี่คือกันอืมเสียอย่างเพียงเจ้าก็บ่ได้เด้อโบดเข้ามาก้นหัวก็สิตัด ผู้ใดงามๆเดียวเบิ่งก็คิดมักอยู่กันเด้อแม่นบ่เอ้ย บวชเนี่ยเจ้าว่าบวชเข้ามาก็มีแต่ผู้อยาก <aph> <fact> บัดกอดก็แล้วผมเมื่อว่าโอ้ยสิหลายพะโลไว้ฝันต่อยให้นําบ่ยังหาหญิแม่นมีพ่อละลงตาบ่แม่นเด้อผมบ่แม่นแล้วมันเป็นจังซี่ ขึ้นเต็มเหอบ่แม่นตายเบิดแล้วบ่ขอบวช Vai Va Mi, Poet lai mi, panna... Puri ka haki lao nyang seconds, Ôi! Cú giặc gợt bên bao mai đấy! Cú giặc tài gợt mai đấy! Hứa lẹ thở như vậy! Ôi! Thầu quá tài ra nhanh như cực tịch! Thưa diễn phó năng bào đầy yếu chăng sỉ! Đơ ục bộ mẹ của bà chẳng sư phủ sư ông! Phóng viện hài yếu cao thưa! Bào sư sư nhạc thí rút! Cờ cứ bậc lục sai หามุ่นๆแดนปูดเป็นไหก็บักลูกซ้ายพอจะ บ่เบิ่งบาทหือไปเบิ่งขาเข้าพุ่นติบ่จอย่อยพา ไปกินข้าวยังบ่พอยังไปซี่ แต่ว่าที่ซ้อนเฮ็ดกุฏิหลังเล็กๆไม่ก็ซ่ําแขนนี่แหละ ไปเค้าหิวกบมากเค้าหิวปลามากขอแน่ป่าตกปูเอาไปหยัง เป็นดีทวะมาเข้ามาว่าโอ้ยพ่อแม่ออกเอ้ยพ่อกันเฮ็ดบุญได้หลายแน่เพิ่นสิหาสัตว์ ได้บาทแม่งเปิดออกโอ้ยหมกอีหยังน้อบ่คือหมกนี่น้อมึงมึงมึงได้ออกไปนี่มึงจะบ่ม้วยมึงตายอืม <laughs> <seventh line> จ๋นเข้าแล้วลูกใสลากกวนนอนแต่โอ้เข้าหูแล้ว พ่อนอนลูกพ่อนอนห่วยถือไม่กวดกวดอยู่มื้อนี้กวดเดินวัดมึงบ่เรียกบ่มานี่มึงมาหาเรื่องกูแท้มึงก็มาโบ่นมาเวียนกูแท้บักอดีเพิ่นว่า นั่งไปนั่งมาผู้ผู้เวะมาอีกเอามาอีกแล้วเพิ่นว่ากวดทีสัจจนเบิดมื้อมื้อ ครับใช่แล้วอืมแต่อะไรนั้นบ่ฝัน ฝันเธอขอสิแก้ผ้ามากก็ 한낰 <hơn> ifo non sám röidn khau hann xã. Nambita ná ná啊, nambot. Bu day sắn đó, kia في ha? Chết mendar ch 전� Aí sắn entr 가운데 nâng. Bdzay pas, cellai kām nằm tàn bó Either way, religious oi, chěnoro goal. Ya, m creditsz81 ty, kia koán nivad. จำเธอก็กลือหย่บบ่แม่นหมากฝรั่งหย่บเท่าใด๋เปิ้นแฮงนั่น เหมาะหมอหมุนน่ะทุกเท่าใดแล้ว บ่ว่าแต่หลวงปู่หมั่นหลวงปู่มหาบัวมื้อนี้คือกันเพิ่นบอกอาตมาฟังคือกันผมยินตบาต 7-8 ข้างๆเฮือนทั้งเถื่อทั้งบ่องก็อยู่ 3 ข้างๆ ดัว 1 จังสิพ่อโอ้ยบ่แม่นลาบปลาตอมอ้าวหลวงปู่ซาได้ผักแผ้วเอา ใส่ใส่กระตำติล่ะเดดาวตำมุนๆก็คิดว่าไปตำบ่ฮุ่งแล้วเออเอามาก็เพิ่นแบ่งพลศรเฮาสัน นั่นการต่อสู้ของพระอรหันต์เฮา บ่าวถึงพาลีเจ้าเพิ่นสู้ล่ะเพิ่น กินถวาดมาก็จังว่าอาตมาว่านี่แหละกล้วยตอน 8 ตอนเลยบาทสันโหดเปลือกมันแซ่บหลายก็ หลวงพูซาเพิ่นว่าโอ้ยอย่าแม่นเขาสิบาปมหาลักของพระเฮ็ดจังได๋น้อสิแก่เพศพก หลวงปู่ซ่าย่างอ้อมไปบัดนี้กำเนินเอาน้ำ ว่ากันบ่ได้เด้บาปอยู่บ่พามันสิว่านั่นแล้วสอนเขาบ่ให้เขามาลักกิ๋นอือให้มันเจ็บจัก มันเป็นกัปๆหมื่นๆหมื่นๆล้านๆล้านๆสุขก็ล้านไปอีกพุ่นคิดว่าพระพุทธเจ้า ก็ต้องแจ้งต่อสงตัวคือเข้ามาวัดจังซี่คือกันไปโลด อันนี้บ่ขอหยังละลาบละล่วงหลายคนอยู่เด้พวกมาวัดนี่แหละ พระพุทธเจ้าอ๋องใหม่มาอีกเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะได้เกิดสมณะโคดมนะจะมาเกิดแล้วก็ข้าพเจ้าพิมพ์ธีศาลที่ พระเจ้าพีพีสานได้ขึ้นค้องลาดจะมาปรากฏกายขึ้นบาดให้โอ้เราจะ มาว่าอะไรอะไรอะไรโอ้พ่ออะไรอะไรเออตนอมตนอมก็บ่มีไผลูกอมาตก็บ่มีไผลูก เสียงหวือหวานน่ากลัวมากนั่นคือญาติของพระเจ้าพิมพิสารไงกินของสงฆ์ตาย 500 องค์เลยพออรหันต์ทั้งหมดเลยพระเจ้าค่ะมื้ออื่นเบิดค่ำคืนมาบาดนี้มาแนวใหม่ไป ทั้งเพิ่งเป็นเทวดาลอยเอ้าอะไรกันนี่อีกอ่ะขอพระ ตัวข้างบนเป็นเทวดาแต่ข้างล่างเป็นเปรตก็ยายของพระเจ้าพิมพิสารไงอ่ะทําบุญให้แล้วอาหารข้าวหวานเค้าก็ได้กินส่วนนั้นได้ส่วนบุญได้เกิดเป็นเทวดาที่เค้าเคยทําคุณงาม ท่านออกตักไปจะหาว่าพระผู้มีพระภาค 500 รูปใหม่พระเจ้าค่ะ ภานเนนก็เป็นเป็ดคือกันภานเนนก็เป็นเป็ดขโมกขล่ายเห็นบ่เห็นเป็ดใหม่อ๋อโหยใหม่ซะล่ะใบใหม่ห้องหลายตาย บ่นี่องค์อื่นเห็นบ่ให้น้องเห็นเนาะลึกเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเป็นเป็นพระแล้วก็เป็นสมณเณรเห็นเหรอเห็น ต้องมีพยานพระโมคขลาเป็นพยานบวชเป็นภิกษุเป็นสมณะนประพฤติ คือเอาหอบผ่ากองอยอไว้ไปเลยเพชรแล้วนั่นไปเฮ็ด อัปปโตนิแก้ได้แต่ว่าเค้าปรับปลั๊กสีเกย